พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนับสนุ น, นความสามัคคีก็เป็นไปเพื่อความเจริญในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนให้มีนโยบายทำความสามัคคีกันให้ได้จึง ช, ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่คิดไม่รู้อย่างนี้ไม่ดำเนินตามเช่นนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่ารู้แต่ไม่ทำตามไอ้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความจเจริญได้ ความเจริญจะมีได้นมันมันอาศัยความสามัคคีจริงๆนะไม่ว่ายุคใดสมัยใดอย่างพุทธศาสนานี่จะเจริญสืบต่อกันมาได้ถึงปัจนนี้นะนะั่นเพราะอาศัยความสามัคคีของพุทธบริษัท ต, ตั้งแต่อดีตนู่นเนี่ยมาเพื่อนพร้อมเพียงกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยลําดับะ ยิ่งอยู่มันก็อาจจะมีอยู่นั้นเรื่องแตกสัมมาคีกันแต่ว่าคงจะเป็นคนหมู่น้อยไม่ใช่คนหมู่มากเมื่อในเมื่อคนหมู่มากมองดองสัมมาคีกันอยู่เนี่มันก็เป็นไปได้อืคนหมู่น้อยทําอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้พึ่งพากัน พิจารณาให้มันเห็นอา น, นิสงแห่งความสามคัคคีคนที่มองเห็นคุณค่าแห่งความสามคัคคีชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้เห็นแก่ตัวคนไม่คิดถึงความสามัคคีได้แก่คนที่เห็นแก่ตัวทําอะไรให้มันได้ดังความประสงค์ของตัว ฝ่ายเดียวเอยความประสงค์ของผู้อื่นนั่นจะเป็นยังไงไปก็ไม่รับรู้ไม่มีการยืดหยุนหากันนี่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวมันก็ทำลายความสามัคคีให้ย่อยยับไปในสมาคมใดหมู่ใด ถ้ามีคนเห็นแก่ตัวมากๆแล้วก็สมาคมนั้นตั้งไม่ยั่งยืนเลยมีจะแต่แตกสลายออกไปเท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วว่านี้ทำยังไงเราจะปองรองสามัคคีกันก็ต้องทำเข้าไปในเรื่องที่จะแตกสามัคคีกันอย่าไปทำอย่าไปคิดทำลงไป อย่างนั้นถ้าหากว่าตนนะนึกว่าอยู่กับหมูนี่ไม่ได้แล้วมันขัดข้องในตนของตนเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ต้องลาออกจากหมูไปเลยไม่ต้องไปขวางลำอขอให้เข้าใจอย่างนี้ระเบียบในพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าทรง ดำเนินมาก็แบบที่ว่านี่นะถ้าพระองค์ใดประพฤตินอกลีดนอกรอยไม่สมานสามาคีกับหมู่ในทางปฏิบัติในอย่างนี้พระองค์ก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นเองนอเพราะว่าจะปรับโทษอย่างอื่นตามพระวินัยก็ไม่ไม่ไม่แ ม, ม, ม่เข้าเกณฑ์นนะ แต่ถ้าว่ามันไปขวางความเจริญความสามัคคีของหมู่เข้าไปอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตัดหินให้ออกจากหมู่ไปเท่านั้นเองแต่ว่าในพุทธศาสนานี่มันมีการยืดยุนถ้าพระองค์ใดไม่ต้องอาวัตถึงที่สุดแล้วอย่างนี้เพียงแต่ถูกเอาปหิออกไปจากหมู่ถ้าหากว่ารู้สึก ตัวเมื่อใดเห็นโทษของตัวเองว่าตนนั่นเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ไม่เคารพต่อสงฆ์จริงรู้ตัวแล้วมาขอสารภาพความผิดต่อสงฆ์ยอมผิดยอมรับโทษสุดแล้วแต่สงฆ์จะลงโทษอย่างไรอย่างนี้แล้วพระส า, าสดาก็ทรงวางระเบียบไว้ให้สวด ยติกรรมรับพระองค์นั้นเข้าหมู่นี่มันมีคำสวดอยู่ตามเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้หลักของการบริหารเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นจะไม่เอื้อเพื่อไม่มีการยืดหยุ่นเลยไม่ใช่มีอยู่นะมีอยู่ ดูตั้งแต่พระฉันนะเถระที่เป็นคนเลี้ยงม้าของพระ อ, องค์แต่ก่อนนะเมื่อพระ อ, องค์เสด็จออกบวชเกาะเสด็จออกตาม <c oughs> แล้วเมื่อพระ อ, องค์ได้ตัดสรูแล้วฉันนะนี่ก็ออกบวชตามพระ อ, องค์อพอบวชมาแล้วก็ถือว่าตนเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระศาสดามาตั้งแต่ก่อน พระ อ, องค์เสด็จออกบวชก็ทำท่าแข็งกระด้างกระเดืองไม่เคารพอ่อนน้อมต่อใครเอาพระ อ, องค์ก็เรียกมาตักเตือนโดยดีเมื่อตักเตือนแล้วเพื่อนก็ น, นิ่งอยู่ซะคันแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามที่พระ อ, องค์เจ้าแนะนำอย่างนี้แล้วสงฆ์ทั้งหลายก็เกรงใจว่านี่เมื่อพระศาสดาไม่ ตรัสอะไรแล้วสงทั้งหลายก็ปล่อยให้ท่านแสดงบทบาทของท่านไปอย่างนั้นเนี่ยจนว่าเมื่อพระองค์ใกล้จะบริพานพระองค์เจ้าจึงได้ทรงรับสั่งแก่สงฆ์ว่าเมื่อเราจะถาคตยังทรงพระชนม์นชีพอยู่นี่นะพวกท่านทั้งหลายจากักทรมานฉันนาภิกษุนี้ไม่ได้หรอกว่าทั้น เพราะเขาถือว่าเขาเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเราะถาคตมาแต่ก่อนเขาจึงไม่อ่อนน้อมต่อใครแต่ถ้าเมื่อเราะถาคตร่วงรับไปแล้วให้ลงพรหมทันแก่ฉันนภิกขุนี่แล้วฉันนภิกขุจะได้รู้สึกตัวเดีวจะเป็นผู้หลุดพ้นในภายหลัง พระองค์เจ้าทรงให้นโยบายแก่สงฆ์ไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จดับขันบริพารไปแล้วสงทั้งหลายจึงได้ลงพรหมทันแก่ฉันนะพิอืมลงพรมหมทานหมายความว่าประกาศสงทั้งหลายว่าฉันนะพิฆูปนี่จะทำดีหรือทำชั่วอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของ ท่านโดยตรงเลยสงไม่ยอมรับรู้อแล้วก็สงไม่ยอมร่วมฉันร่วมนอนร่วมทั้ง ก, กรรมอะไรต่ออะไรด้วยมันก็แล้วแต่ท่านจะอยู่ยังไงขอให้สงได้รับรู้ไว้นี่เมื่อสวดประกาศกันขึ้นอย่างนั้นแล้วสงทั้งหลายก็เลยไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านพระสันนะ่ะ ธรรมชันนะก็ว่าเวนะอยู่ผู้เดียวอ่ะทีนี้เมื่อเกิดว่าเวขึ้นมาจึงได้นึกถึงความแข็งกระด้างของตัวเองที่ร่วงแลมาจึงรู้สึกเห็นโทษของความกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนเนอ้อต่อสงงนั่นแหละเมื่อท่านรู้สึกตัวนั้นท่านก็ปลีกจากมู่ไปอยู่ที่สงบสงัด ต, ตั้งใจทาความเพียรลงไป จเจริญสมถาวิปัสนาไปในที่สุดท่านเลยสําเร็จอรหัตผลอืมเมื่อท่านสําเร็จแล้วท่านก็มานึกมาปารลบมาจากขอก็มาโทษต่อสงฆ์ที่ได้ประมาทล่วงเกินคณะสงฆ์มาแต่ก่อนบันี้ดูมันจิตเป็นท่านพระอา น, นุนเนี่ยได้พูดว่าเมื่อท่านสําเร็จอรหัตผลแล้ว บรรดากรรมชั่วทั้งหลายที่ท่าน็มาต่อสงานั้นมันก็เป็นอโหสิกรรมไปในตัวเลยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องขอขมาต่อสงอะไรเลยนี่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านประชนะนั้นไม่สำเร็จอรหัตผลนี่ต้องมีโทษติดตัวอยู่จำเป็นต้องขอขมาต่อสงอให้เข้าใจอย่างนั้น นั่นเฉพาะที่ท่านผู้เป็นพระอระหันต์เท่านั้นเพราะว่าท่านละกรรมดีกรรมชั่วอะไรหมดไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจแล้วเหตุฉะนั้น่ะจึงไม่มีผลอะไรถึงจะขอขมาหรือไม่ขอขมามันก็ไม่มีผลตอบสนองอะไรเลยเพราะทําไมยึดถืออะไรแล้วอืมอย่างนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องของกิเลส เอ่ความถือตัวถือตนความแข็งกระด้างกระเดืองนี้เป็นอุปสรรคต่อมรรคต่อผลต่อทางพ้นทุกขโดยตรงขอให้เข้าใจกันดังนั้นผู้ที่เห็นทุกเห็นภัยในสงสารแล้วปรารถนาอยากพ้นทุกขเช่นนี้แล้วก็ต้องลดละลงและทุกข์สิ่งทุกอย่างเลยไม่ถือมั่นไว้ในใจ ลดตนลงสู่ธรรมสู่วินัยหมายเขาว่า อ, อย่างนั้นแหละประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมอย่างนี้นะเราก็รู้เมื่อรู้แล้วเราก็วางตนลงให้มันเป็นธรรมนั้นอย่างนี้นะประพฤติอย่างไรจึงเป็นพระวินัยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วต้องวางตนลงอย่างนี้มันจึงเป็นวินัยได้อออย่างการประพฤติให้เป็นวินัยนั่น ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอคอยระมัดระวังความผิดความพลาดในการทำการพูดของตนแต่ละวันแต่ละคืนไปอย่างนี้นะต้องมีสติคอยระมัดระวังอยู่อย่างนั้นระวังมันจะพลังเผลอไปล่วงวินัยอะไรตอเข้าไปอย่างนี้นะประพฤติตนให้ตรงต่อธรรมว เช่นอย่างการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณทธิสูงสูงกว่าตนอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าความประพฤติเป็นธรรมแล้วก็ความเป็นผู้วางตนให้เข้ากันได้กับผู้น้อยกว่าตนตนก็ไม่แข็งกระด้างต่อผู้น้อยกว่าตน ต้องวางตัวให้เหมาะสมเมื่อสมาคมกับผู้ที่น้อยกว่าตนถึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักธรรมะรู้จักดักแปลงกายว่าจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมะนันต้องให้เข้าใจนี่แหละการศึกษาเราเรียนธรรมะนะเมื่อเรียนท่องจำได้แล้วอย่างนี้ เราก็เอามาใช้กันแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้แล้วมันมีอยู่ในใจเราอย่างนี้ถึงเวลาที่เราควรจะประพฤติทธำธรรอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อนึกถึงทำอย่างนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็วางตนเนี่ยคือว่าแสดงกิริยากายวาจาให้เป็นไปตามธรรมนั้นแต่ถ้ามันไม่รู้ไม่มีธรรมะอยู่ในใจอย่างว่านั้นแล้ว ฉันเอเมื่อเวลามีเหตุว่าควรจะประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ก็ประพฤติไม่ได้เพราะความรู้ทําไม่มีเมื่อจิตมันไม่รู้ว่าทำอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้นะมันก็ก็ก็ทำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลื่องม่นะมันก็ทำไม่ได้อย่างเช่นการกราบการไหว้แก่บคุคคลที่ควรกราบควรไหว้อย่างนี้นะแต่ถ้าจิตมันไม่รู้ว่าการไหว้การกราบนี่มันมีความหมายอย่างไร เมื่อมันไม่รู้ความหมายนะมันไม่ยอมกราบนะคนเราอะ่ะอย่างคนที่เขาไม่เคยกราบพระกราบเจ้าเหมนั้นก็พราะเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่ากราบนั้นมีความหมายยังไงอะ่ะอย่างนี้นะเมื่อมันไม่รู้มันก็ไม่ยอมทำมันเป็นยงั้นแต่บางคนหรือพระเน้นบางรูปบางร่างเขา อ, อาจจะกราบไปตามหมู่เฉยๆอย่างนี้นก็มี อาจจะไม่รู้ความหมายก็มีอย่างนี้แหละความหมายของการกราบที่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้กราบไหว้กันตามอาวุษย์อย่างพระอย่างนี้เนะี่ยถ้าพรรษาเกินกันเพียงแค่พรรษาสองพรรษาสามพรรษาเท่านี้นะตามระเบียบไวนะ้ไแล้ะเพียงแต่แค่ยกมือไหว้กันเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงกับลงกราบ เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพันสา ม, มากกักนสี่ห้าขึ้นไปแล้วก็อันนั้นกราบไหวถูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นชั้นครรืหัดกับพระอย่างนี้นะคารืหัดนั่นก็ถือว่าพระนั่นเป็นเนื้อนาบุญของตนยกไปที่สูง อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคลือหัดจึงมีแต่กราบพระฝ่ายเดียวพระไม่ได้ไหว้ไม่ได้กราบพระไม่ได้กราบคลือหัดนี่เพราะว่ามันคนละชั้นกันเป็นอย่างนี้ความหมายเนะี่ยทีความหมายอย่างลึกซึ้งลงไปการกราบการไหว้บุคคลที่ควรกราบควรไหว้หรือการกราบอูชนิยวัตถุที่ควรกราบควรไหว้อย่างนี้ ก็เพื่อลดละทิฐิมานะความแข็งกระด้างกระเดืองลงไปให้เบาวางไปจา ก, ก จ, จิตใจเผื่อว่าตนจะได้ความโบคลิกของตนจะได้เป็นธรรมเป็นวินยัยจะได้น้อมกายวาจาจิตลงสู่ธรรมสู่วินยัยได้ง่ายได้นี่มันมันประกรอบกันไปอย่างนี้แหละทรรมกับวินัยต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันไปอยู่อย่างนี้ ดังนั้นขอให้พากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทั้งทั้งที่ไม่ใช่นักบวชเป็นคือหัดก็ดีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รักต่อผู้ใหญ่ต่อบุคคลที่ควรเคารพนอบน้อมอย่างนี้มันก็เป็นคุณนธรรมอันดีงามของชาวพุทธหรือแสดงออกถึงบุคคลผู้มีบุญกุศล ผู้มีใจทรงไว้ซึ่งธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลอย่างนั้นถ้าบุคคลที่ไม่มีธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจอย่างนี้มันก็ต้องมีอกุศลขึ้นมาแทนอยู่ในใจถ้ามีธรรมอันเป็นอกุศลอยู่ในใจแล้วมันก็ทำให้ใจแข็งกระด้างกระเดื่องไอเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่อง ทำที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทําให้ใจแข็งกระด่างกระเดื่องไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเนี่ไม่รู้จักบุคคลที่ควรเคารพหรือไม่ควรเคารพไม่รู้จักบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ไม่รู้ไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตน <c oughs> ต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนธรรมวินัยหรือการสดับรตรฟังนี่นะสมควรแท้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่เมื่อเรารู้ทำเหล่านี้แล้วเราไปประพฤติฝึกกายวาจาใจของตนให้ตรงตามธรรมตามคำสอนของพทธเจ้าอย่างว่านี่ผู้นั้นก็เป็นคนดีขึ้นได้จริงๆเป็นคนดีถ้าพูดถึงอานิสงส์ ที่จะพึ่งอำนวยให้หากว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเกิดไปาชาติใดก็ไปเกิดในตระกูลสูงอันนี้สงที่บุคคลแสดงความเคารพนมน้อ ม, อมต่อบุคคลที่ควรเคารพเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์อุปชายาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณอื่นๆซึ่งเราจะควรเคารพนกไหว เอก็อย่างที่ว่ามาแล้วระเบียบของพระก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งระเบียบของพระปฏิเกี่ยวกับงัดโยงกับอีกเรื่องหนึง่งอย่างนี้เราก็ต้องรู้แหละเป็นอย่างนั้นนับว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์การที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้านี่นะอ่าเราได้ผลได้ประโยชน์คุ้มจริงๆริที่เรา สันละความสุขเล็กๆหน่อยน้อยลงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ปฏิบัติแต่แต่แ ต, ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมีโอปญัญญโกโนมเอาคำสอนเข้ามาสู่จิตใจย่างลงไปให้ถึงจิตใจจริงๆอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่พิจารณาลอยๆอยู่แต่ข้างนอก นั่นมันไม่ได้อันนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพี่นาอยู่แจกนอกๆ อ, อย่างนั้นนะมันจะประพฤติตนให้ตรงตามธรรมตอนวินัยนะั้นไม่ได้ต่เมื่อเราโน้มเข้ามาสู่จิตใจเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าทำอย่างนี้นะเราควรปฏิบัติตามโดยแท้ถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วมันจะมีโทษมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วอย่างนี้ มันก็พอใจปฏิบัติตามมันไปนอย่างงานเรืองมา น, น่ะเช่นอย่างว่าฮิริโอตประธรรมอย่างนี้นะอ้าวทำมาสองอย่างนี่เราน้อมความาพิจารณาอยู่ในใจอ๋อก็รู้ได้ว่าความละอายต่อการกระทําความชั่วนี่น่ะมันต้องให้เกิดให้มีแท้ๆถ้าหากว่าบุคคลไม่ทําความละอายแก่ใจ ในการกระทำความชั่วทั้งในที่รับในที่แจ้งอย่างนี้มันก็ทำความชั่วได้มันเป็นอย่างนั้นเลื่อมันนะโอต๊ะปลนี่ถ้าบุคคลไม่เกรงกลัวต่อการกระทำความชั่วนี่มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันก็ทำความชั่วได้คนเรานะผู้ที่ทำความชั่วไม่ได้ก็เพราะเหตุว่า มามีฮิริโอตประธรรมเนี่ยอยู่ในใจเสมอเสมอก่อนจะทำชั่วพูดชั่วอะไรอย่างนี้มันก็นึกละอายใจขึ้นมาเลยเมื่อมันละอายใจมันกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เลยมันก็ ง, งดไม่ทำไม่พูดสิ่งที่มันชั่วชาลามกต่างๆนงพีนาดูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ เมื่อบุคคลนอกเข้าไปพิจารณาเนะี่ยมันย่อมเห็นช่องทางปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทมันก็ได้ผลจริงๆเป็นเหตุให้ผู้นั้นละบาปได้เลยไม่ได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเรามีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ประจําใจเสมอๆไปอย่างนี้นี่แหละพระธรรมนะคุณค่าแห่งพระธรรมคำสอน ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเพียงได้จำจำได้เฉยๆแล้วไม่ได้น้อมเข้าไปพินิ์พิจารณาอะไรเลยไอ้อย่างนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจำได้เฉยๆี่ไม่น้อมเข้าไปพิจารณามันก็ไม่รู้จักแนวทางปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น พ่อนี้ให้พากันเข้าใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นนะ่ะเบื้องต้นเราก็น้อมธรรมะเข้าไปพิจารณาให้เห็นรู้เห็นทางแนวทางปฏิบัติสกักก่อนเมื่อรู้จากแนวทางปฏิบัติว่าโอ้เราดำเนินตามธรรมะอันนี้แล้วมันจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอย่างนี้ แล้วก็พยายามปฏิบัติไปตามธรรมะอันที่มองเห็นด้วยใจอยู่แล้วนั่นไม่ร่วงเกินน่ะแล้วก็ไม่ให้ธรรมะนั้นมันเสื่อมไปจา ก, กจิตใจพยายามเพ่งให้ธรรมะนั้นซึมทราบเข้าสู่จิตใจให้มันได้อืมเมื่อธรรมะแต่ละอย่างซึมทราบเข้าสู่จิตใจไปได้แล้วมันไม่มันมันไม่ค่อยลืมเลือนแล้ววะ น, นี้นะ่ะตอนนี้ และวธรรมะนั้นก็จะเตือนจิตในเวลาหากว่ามีเหตุอันชั่วร้ายอะไรกระทบกระทั่งมามันจะเป็นเหตุให้ละเสียซึ่งความดีหมุนไปหาทางชั่วนี่คุณธรรมที่เราอบรมให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นจะเตือนตนทันทีจะให้เกิดความละอายแก่ใจเกิดความกลัว ต่อผลแห่งกรรมชั่วอะนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้ทันทีเมื่อมันรู้สึกขึ้นมาเนียมันก็ทำชั่วไม่ได้คนเราโกงดเปันเบี้ยเงี้ยเนยที่บุคคลจะไปทำความชั่วได้นั้นเพราะว่าอย่างว่านเนี่นเยเมื่อเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระท่างเข้ามาแล้ว ไอ้ทำสองอย่างนั้นไม่ปรากฏขึ้นในใจเลยอย่างนี้แล้วเมื่อทำสองอย่างนั้นหายไปความไม่กลัวความไม่ละอายต่อความชั่วมันก็เกิดขึ้นมาแทนความไม่กลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กลัวต่อความทุกข์เหล่านั้นมันก็ทำชั่วได้คนเราเนะ่ะเป็นอย่างนั้นนี่แหละธรรมะ พ่ออื่นๆก็เหมือนกันนะให้พากันพิจารณาเมื่อเราเรียนมาแล้วอย่าไปอยู่เฉยๆเราได้ของดีแล้วนะการเรียนการจำธรรมะคํรสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักความหมายก็ได้นี่เรียนจำมาแล้วไม่ทราบว่าจะไปทำยังไงํำสอนเนี่ยจำได้แล้ว นี่อย่างนี้ก็อาจจะมีสมใบเหมือนอย่างบุคคลได้แก้วหรือได้ทองคำธรรมชาติมาแล้วแต่ไม่รู้จักคุณค่าของแก้วและของทองคำเหล่านั้นแล้วเอ๊ะของเหล่านี้ไม่ทราบว่าจะเอาไปใช้อย่างไรได้เมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอ่ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ช่างเขาตีเป็นลูกโบพันทองลูกโบพันอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่รู้เลย แก้วอย่างนี้หรือว่าได้แก้วของดีมาแล้นี่จะเอาไปให้ช่างเขาเจียรไนให้ให้ทำเป็นหัวแหวนบ่หรือเป็นเป็นสายสร้อยอะไรก็แล้วแต่แ่ะก็ทำไม่เป็นน่ะนรึกไม่ได้แก้วที่เขาได้มานั้นมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรต่อผู้นั้นเลย จะเอาไปประดับตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันทั้งรุ่นนี่จะเอาไปประดับได้ยังไงอ่ะนี่แหละธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเลย mm hmm. เพียงแต่เรียนและจําได้เฉยๆอย่างนี้นะก็เพียงแต่ว่าจํำธรรมะคําสอนได้เหมือนกับจําวิชาความรู้อื่นๆได้นั่นแหละก็แค่นั้นแหละแล้ว การที่บุคคลไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นแนวทางปฏิบตัติมันก็ลงมือปฏิบัติตามไม่ได้ก็จําไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละไปเที่ยวอวดพูดอวดคนโน้นคนนี้ไปว่าตนนั้นจําธรรมะคําสอนได้มากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไป <c oughs> แต่ความประพฤติไม่ตรงต่อธรรมต่อวินยัยที่ตนเรียนตนจํามาอย่างนี้นะมันก็ใช้ไม่ได้เลยอืมคอยพานเข้าใจ ดังนั้นการที่เรามาอยู่ป่ามาอยู่สถานที่สงบส ง, งัดห่างไกลจากหมู่ชนหมู่มากพุกพ่านไปมาอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับที่เราจะมาพยายามฝึกจิตใจของตนให้เป็นธรรมเป็นวินัยได้เป็นอย่างดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะ เราบอกเป็นวินัยก็คือความสำรวมนั่นเองเนี่ยความเป็นผู้มีสติสมบัญญยะระลึกถึงตัวอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไม่ลืมตนหรือว่าตนเข้าสังคมไหนตนจะพูดเรื่องอะไรมันจึงจะเหมาะสมกับสังคมนี้นก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนซะก่อน เมื่อรู้ว่าการที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมมันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้เราก็จึงค่อยพูดออกไปถ้าพิจารณาเห็นว่าการพูดอย่างนี้ออกไปแสดงกิริยาอย่างนี้ออกไปสังคมจะรังเกียจจะไม่มีใครเห็นดีด้วยอย่างนี้เราก็ไม่พูดแล้วไม่แสดงออกคือผมคิดความเห็น อย่างนั้นเช่นนี้สังคมก็ไปรังเกียจเราเลือกพูดแต่ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ในสังคมถ้ายังนึกถึงเรื่องอะไรไม่เห็นก่อน น, นั่งนิ่งอยู่ซะก่อน <c oughs> อย่าไปคิดว่าเรานี่ <c oughs> เพื่อนจจตําหนีเอาว่าไม่ฉลาดพูดฉลาดจ้าอะไรเลยแล้วก็ นึกได้อะไรก็พูดพรามโกอกไปอย่างนั้นเลยอย่างนี้แล้วไม่ถูกะไม่ถูกไม่ใช่วิสัยของนักปราชเหมือแนบบนั้นนะ่ะวิสัยของนักปรานี่ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็ต้องคิดต้องพิจารณาเหตุผลในเรื่องที่จะทำจะพูดนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนเพราะความคิดนี่มันว่องไวมากบางทีนะ กําหนดเพียงไม่ถึงนาทีก็รู้เรื่องนั้นแล้วโดยแจมแจ้งอย่างนี้หรือไม่ถึงสองสามวินาทีก็รู้ได้เรื่องบางเรื่องนั่นน่ะในเมื่อบุคคลผู้มีเชาว์มีความคิดว่องไวหมายความว่าฝึกตนมาฝึกความคิดความนึกอะไรให้ว่องไวให้ทันกับการกับเวลา อันนี้ก็สำคัญนะ่ะนั่นแหละเมื่อเราฝึกตนให้มีเท่าอยู่ในใจนี่แหละคำสอนของพุทธเจ้านะ่ะเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามแล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงๆทำชีวิตของผู้นั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปทำชีวิตของผู้นั้นไม่ให้ตกต่ำ มีแต่ทางเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อคนผู้ประมาทแล้วนะไม่ได้เอาใจใส่เลยอบางทีฟังไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่ได้สนด้วยว่าท่านอแสดงเรื่องอะไรให้ฟังไม่ได้ไปกําหนดกํานาพินิจพิจารณาภายหลังมันก็ลืมเลือนไปหมดฟังแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ฟังเลยอย่างนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะฟังอยู่สักกี่ทั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมเมื่อฟังแล้วอย่างนี้กำหนดหัวข้อได้แล้วอย่างนี้เราไปนั่งภาวนาไปหรือว่านั่งสู่ที่สงบส ง, งัดก้วมิตกวิจานลงไปดูท่านที่แจงแสดงธรรมะอะไรให้ฟังบ้างวันนี้ เรื่องอะไรที่สําคัญสาคัญอย่างนี้นะเอะตนระลึกได้ไหมอย่างงี้ก็ลองลองดูนะนี่ยก็ทบทวนดูอแต่อย่างน้อยมันต้องได้แหละมันต้องได้เรื่องหนึ่งถ้าเป็นผู้เอาใจจดจ่ออยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันต้องได้เรื่องนึงอืมหรือสองเรื่องนี่ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ กำหนดเอาได้เอฟังธรรมะแต่ละครั้งแล้วจําหัวข้อทำได้แล้วลงมือประพิสูปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนไปนั้นอืหลายครั้งเข้าไปมันก็จําความรู้มันก็หลายขึ้นแล้วลงมือปฏิบัติตามนั้นมันก็ดีไปเรื่อยๆนะคนเรารับรองว่าดีแน่ออย่างที่พูดในวันนี้แหละอย่างงี้นะวิใน ทำตนให้เป็นวินยัยอย่างนี้ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะอยู่ทุกอิทยาบทเพื่อรามันระวังไม่ให้ร่วงทาไม่ให้ร่วงวินยัยพุทธวินญัติต่างๆอย่างนี้นะถ้าผูใ้ใดปฏิบัติตามนี่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้ต้องอาบัติอาจีอะไรต่อไปแล้วก็รู้ตัวอยู่มันจะไปต้องอยังไงล่ะไม่ต้อง แต่ถ้าหากว่าเผลอสติไม่ใส่ใจว่าจะสำรวมระวังรักษากายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติเนี่ยไม่ได้ตั้งใจลงอย่างนี้อย่างนี้เผลอๆมันก็อาจล่วงพุทธบัญญัติได้โดยไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้เนี่ยเรีชื่อว่าขาดสติวินัยไปสติวินัยเนี่ยมีสติเป็นวินัยสําคัญมากให้พากันเข้าใจ ถ้าใครมีสติเป็นวินัยประจำตัวอยู่เรื่อยๆไปไม่ค่อยทำผิดทำพลาดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นมักจะเป็นผู้มีความสงบระ ง, งับมากนี่ที่ท่านเรียกว่าคณะโภพนโนนะแปลว่าผู้ทำหมู่ทำคณะให้งดงามให้เป็นระเบียบรเรียบร้อย แล้วเข้ามาต่างคนต่างมีสติเป็นวินัยเหมือนๆกันแล้วอย่างนี้นะต่างคนต่างสำรวมระวังตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องชั่วไายเรื่องไม่ดีมันก็ไม่เกิดแล้วข้อวัดปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่บกพ้องเพรมีสติระลึกได้อยู่นี้ถึงเวลานั้นทําข้อปฏิบัติอันนั้นถึงเวลานั้นทําอย่างนั้นอย่างนี้นะ เมื่อเราเลอกได้อยู่เนี่ยมันก็ต้องทำกิจวัตรปฏิบัติอ น, นั้นให้ตรงตามเวลาให้ได้ไปมันก็ไม่มีทางบกพร่องนั่นเราก็อยู่กันโดยสันติสุขสิปนี้นะนนเมื่อปรับปรุงทางวินัยให้เรียบร้อยดีแล้วอย่างนี้มาพยายามปรับปรุงจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับ เช่นนี้มันก็ไม่ยากลําบากอะไรนะพอเมื่อมีสติเป็นวินัยไม่ให้ความผิดความพลาดบางเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ได้เศร้ามองขุนมัวอะไรจิตใจก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะดังนั้นเมื่อมาทําสมาธิภาวนาเข้าไปกําหนดจิตเข้าไปอย่นี้จิตมันก็ไม่พุ่งไปทางไหนอะ พวะมันไม่มีเรื่องที่จะลบควรจิตใจพุ่งสร้างเลื่อนลอยอมเมื่อเรากำหนดโน้มลงสู่ความสงบมันก็สงบลงไปโดยลำดับใจถึงมันจะมีอารมณ์อะไรบางเกิดขึ้นบ้างมันจะเผลอคิดอะไรบ้างก็เรื่องที่คิดก็ไม่รุนแรงอะไรเป็นเบาๆไม่มีอิทธิพลอะไร พอเราเพ่งเข้าไปแล้วอารมณ์เราต้องก็ดับไปจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างงี้นะนี่แหละการฝึกตัวในพึงพานเข้าใจมันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้ให้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนนะขั้นตอนเบื้องต้นก็ฝึกสำรวมกายวาจาอย่าให้ผิดให้พลรราด ไปจากทาจากวิในขั้นที่สองก็พยายามฝึ ก, กจิตนี่ให้เข้าถึงความสงบให้ได้ขั้นที่สามฝึกหัดคิดวิจารณพิจารณา<อ>เหตุผลเรื่องนั้นนั้นให้กระจ่างแจ้งขึ้นในใจเราต้องการจะรู้เรื่องอะไรลนะ่ะก็ กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาแม้เขาม า, มาเรายังไม่รู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็กําหนดพิจารณาเรื่องนั้นลองดูอ่ะเมื่อพิจารณาไปเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วการพิจารณาเรื่องนั้นนั้นมันก็กระจ่างขึ้นค่อยกระจ่างขึ้นมาโดยลําดับเพราะอาศัยจิตตั้งมั่นนั่นแหละเป็นรากฐานของปัญญาให้เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอย่างนี้พิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นแจ่มแจ้งได้เนาะเห็นก็เห็นไปมัวมัวไปอย่างนั้นแหละตัดสินใจอะไรลงก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าสิ่งนี้ควรละมันก็ละไม่ได้ถ้าใจมันอ่อนแอใจไม่ตั้งมั่นนะอันเนี้ยถ้าเมื่อใจตั้งมั่นด้วยดีอย่างนีนะ้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าอกิลเลสอย่างนี้เนาะ มันยังมีอยู่ในจิตใจควรละมันอย่างนี้แล้วก็กำหนดละกันไปเรื่อยๆมันก็ละได้อย่างนี้แหละมันก็ละได้เบาบางไปได้เพราะว่าใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นอันปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นได้กับพาะอาศัยการประกอบอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแี่ยอาศัยฝึกคิดฝึกวิจารณ เหตุผลต่างๆแต่วิจารณ์อยู่ในกรอบแห่งเหตุแห่งผลนะอเรื่องใดที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเราไม่ต้องคิดมันอย่างนี้เราเอาเรากําหนดเอาแต่เรื่องที่มันมีเหตุมีผลเพียงพอแต่เรายังไม่รู้เหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจมแจ้งอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเรื่องที่เหตุผลไม่เพียงพอ อีกที่เล่าหรือกันมงคณตื่นข่าวว่ามีเทวดาอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีพระภูมิเจ้าที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้มีเคาะมีเค้นอะไรอยู่ในตัวคนหมดนี่นะก็ก็มันเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้เลยนี่เหตุผลไม่เพียงพอเพียงแต่สมมุติว่ากันเอามาเฉยอย่างงี้แต่เมื่อมาพิสูจน์ดูเหตุผลแล้ว เหตุผลไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งไม่ทราบจะอยู่ที่ไหนฮะนี้สิ่งเหล่านั้นนะอันนี้เรื่องเช่นนั้นนะไม่ควรเอามาคิดให้เป็นให้มันเสียเวลาเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาให้คิดให้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้ mm. ก็เพราดันันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปนับถือสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้น เมื่อเราไม่นับถือก็ไม่ต้องใส่ใจอะไม่ต้องสนใจมันสิ่งใดที่เรานับถือว่าเป็นธรรมของจริงอย่างนี้เราก็ใส่ใจเรื่องนั้นให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างธรรมของจริงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่เราควรเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยทีเดียวไออที่พระองค์แสดงอริยสัจ สี่ยกทุกข์ขึ้นเป็นเบื้องต้นนะนะมันมีเหตุผลอย่างไรพระองค์เจ้าจึงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะเราตั้งกระทู้ขึ้นถามตัวเองนะตัวเองจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนี่อย่างนี้แหละเมื่อหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นจริงมันก็ต้องวินิจฉัยได้ที่พระองค์เจ้าทรงยก พังอริยสัจจังขึ้นก่อนนั่นก็เพราะเหตุว่าทุกนี่มันเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วเจ็บนู่นปวดนี่ก็เป็นทุกข์หิวข้าวกระหายน้ำก็เป็นทุกข์อะไรต่ออะไรได้สมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจอะไรก็เป็นทุกข์นี่การพลาดาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์หมุนนี่นะ ราราสนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเห็นได้ช่วงๆเลยความทุกข์เนี่ยเวลาเจ็บไข้ไม่สบายมาโรค ก, กำเริบขึ้นมาอย่างนี้นะอา้าวก็ทุรนทุรายหาความสบายใจไม่ได้เลยสบายกายก็ไม่มีไอความแก่ความชราครอบงำเข้ามาอย่น้ร่างกายก็อ่อนแอ ไม่มีกำลังเลี้ยวแรงลุกขึ้นก็ายากนั่งลงก็ายากเดินไปก็ายากเดินไกลก็เหนื่อยอพรอนเพลียเพราะกำลังเลี้ยวแรงมันมันหายไปหลายแล้วก็มหมูนี่มันแต่เรื่องอาการของทุกข์ทั้งนั่นเลยเมื่อผู้คนผู้ใช้ปัญญาพินิพีนาลงผมก็เห็นอาการของทุกข์ไป เมื่อมันเห็นอย่างไีมันก็จะว่างไงบ้านี้โอ้ร่างกายนี่มันก็มีแต่ทุกข์มันจนได้เกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานะเบื่อหน่ายมันทายังไงเราจึงอย่พ้นจากลูกจากนามอันนี้ไปได้อนะืก็สาวหามันต้องมีเหตุมีปัจจัยพาให้เกิดเป็นลูกเป็นนามนี่ขึ้นมาเหตุปัจจัยอันสําคัญก็คือตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นแหละ ในอริยสัจ ท, ที่สองนั่นนะองนั่นเองตัณหาความทยานอยากเบื้องต้นอยู่กับทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มองเห็นด้วยตานี่แหละก่อนนะอ ม, มองเห็นด้วยตาเป็นต้นเนี่ยก่อนนะมเมื่อไม่รู้เท่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ถ้าเป็นรูปที่ไม่ชอบใจมันก็เกลียดชังขึ้นมาในใจนี่ปัญหาแรีว่าความอยากอยากเกลียดชังก็เป็นตัญหาอยากรักใครยินดีก็เป็นปัญหานี่อะไรต่ออะไรเจ็บไข้ได้ป่วยลงอยากใข่มันหายไม่อยากให้ตายเร็วอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็ล้วนจะเป็นปัญหาทางนั้นเลย ก็แปลว่าความอยากนี้ น, นเอที่นี่คำว่าที่ทรงสอนในละตันหานั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเช็บไข้ได้ป่วยลงยงนี้น ะ, ะเมื่อหมอวางยายังไงมันก็ยังไม่หายอาไม่หายก็เลี้ยวไปกร็รูปร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เราที่อยากให้มันหายมันก็ไม่หายกันถ้ามันจะไม่หายถ้ามันจะหายอย่างนี้ หมอเขาวางยาเข้าไปมันก็ถูกยาโรคไข้ก็บันเทาไปก็มีกําลังกระปีก้กระเป๋าขึ้นมามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะไปบังคับให้มันหายอย่างรวดเร็วไม่ให้มันแตกมันทำลายอย่างนี้บังคับไม่ได้เลยเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วความอยากเลานะั้นมันก็ระ ง, งับลงไป เมื่อตันหาความอยากให้โรคใครหายไปมันระ ง, งับลงไปแล้วอย่างนี้จิตใจก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายก็รู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราทุกก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะเพราะทุกมันก็มีขันห้านี่แหละเป็นเหตุนะอย่างนี้แต่มีจิตนี่เป็นผลคือว่าจิตแสดงความกระวลกระวายเดือดร้อนต่างๆนี่นะนั่นแหละ มาพ่อไม่รู้เท่าขันห้านะั่นอันเป็นตัวเหตุ น, ะนั่นแหละมันถึงได้จิตใจในเชิงได้ลิ้นรนกรนกระวายกระซับกระสายไปมาออแต่ถ้าละความอยากอันนั้นซะเอา้าแล้วแต่ร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปมันจะแปลโพนไปเนะี่ยก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะเรามังคับมันไม่ได้อย่างนี้นะวางอุเบกขาลงไว้ซะแล้วก็สบายใจนะ ปัญหาความทยานอยากดับไปแล้วทุกทางใจก็ดับลงอืแม่การอยากได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าความอยากนั้นมันจะอยู่ในวงจํากัดอืมมันก็ไม่เป็นทุกข์ไหลยอย่างนี้นะเช่นอยากอาหารอย่างนี้นะก็เมื่อรับประทาน เสียแต่พอดีพอดีพออยู่ได้อย่างนี้พอรับประทานลงไปอิ่มแล้วก็เล้วไปเลยไอ้ความอยากนั้นมันก็หายไปมันก็ระ ง, งับไปนี่เลย ว, ว่าความอยากอยู่ในวงจำกัดแต่ถ้าหากว่ารับประทานลงไปมือเดียวแล้วยังไม่พอยังหิวโหยอยู่ยังอยากอยู่ไอ้สำหรับผู้จำสินอุโบสถหรือผู้ เป็นนักบวชก็ดีอย่างงี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้รู้อํานาจแก่ตัญหาแล้วนันนี้มันก็เป็นทุกข์ใจในวันนี้เพราะว่าไปหวั่นไหวต่ออํานาจแห่งความหิวนี่เช่นอย่างว่าผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างงี้นะจะเป็นเครือข่าเคยรับประทานอาหารอยู่วันละสองมือสามมืออย่างนี้พอมา บวดเป็นพระเป็นเนรเข้าไปแล้วมันจำกัดตามพระวินัยตามทุดงควัตเพียงขันมือเดียวอย่างนี้นะมันก็หิวโหยรอยแรงไปเลยแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าแล้วหิวก็อดก็ทนเอาไปเพราะเราเป็นนักบวชจะไปทําอย่างเครือหัดไม่ได้ก็สอนทนเข้าไปอย่างนี้นะความอยากความหิวนุ้งก็ระงับจา ก, กจิตใจไปคราวนี้ เมื่อความอยากทางใจมันรังงับไปความหิวโหยทางร่างกายมันก็รังงับไปตามกันอยู่แต่ละวันแต่ละคืนไม่มีการหิวโหอยอะไรไม่นึกถึงเอาหอมาหารอะไรเลย <Okay. S 1> อ, อย่างนี้แหละยดีวว่าตัญหามันเกิดจากใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าใจยุติความอยากลงไปแล้วทุกทีอย่างมันก็เป็นปกติไปหมดเลย ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ที่จะต้องทำความรู้เท่าอะไรต่ออะไรเมื่อจะขอให้ความอยากในหัวใจนี่มันดับลงเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติไปหมดเลยขอให้เข้าใจนี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงว่าตัณหาคือความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง เราพิจารณาเราเห็นจริงตามที่พระองค์แสดงไว้ไหมอย่างนี้นะถ้าเราเห็นจริงด้วยปัญญาของเราเองมันก็แน่นอนนะความจริงมันก็อยู่ที่จิตของเราลันนี้นะมันก็เกิดขึ้นในจิตต่อไปวันนี้เมื่อตันหามันดับลงไปทุกทางใจก็ดับก็รู้ว่าโอ้ทุกนี่มันดับ คือตัณหาความอยากของจิตนี้มันดับลงแล้วทุกข์ก็ดับมันก็มีเท่านี้เนะความทุกข์มันกําเนิดมันเกิดจา ก, จากตัณหาของจิตนี้โดยตรงอนี้นะมันก็รู้จักที่ดับของทุกข์แล้ววันนี้นะอ๋อดับที่ตรงจิตนี้จิตไม่อยากไม่หิวซะแล้วทุกข์อันนี้มันก็ดับไปนี่ท่านเรียกว่ารู้จักที่ดับทุกข์วันนี้ก่อนที่เราจะมา อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมาสอนจิตใจได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นรุ่นมาโดยลาดับแล้วในหลักท่านก็เรียกว่าศีล น, นั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสำคัญนะเมื่อเป็นผู้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ได้ดีแล้วการเจริญสมาธิมันก็ไม่ขัดข้องมันก็เป็นไปได้ถึงไม่ บรรลุถึงฌานสมาบัติเ็เรียกว่าจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งนี่วรห้าดับไปนี่ก็ใช้ได้แล้วอืมก็เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาได้แล้วนี่มันก็ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติโดยลำดับขึ้นไปอย่างนี้แหละจนถึงขั้นปัญญาบัด น, นี้เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานีกลับมา อบรมจิตอีกทีหนึ่งวันนี้มาสอนจิตให้รู้ทำของจริงทั้งสี่นั้นออืมาการรู้นะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้เราลงมือปฏิบัติตามหมายเขาว่าอย่างนั้นเอาทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เท่าอย่างนี้นะเมื่อเวลาทุกขเกิดขึ้นมาเราก็กําหนดจิตให้รู้เท่าอดกั้นทนทานไม่แสดงอาการวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนั้น เอนี่ในวันเราลงมือปฏิบัติเด้ถ้ารู้รู้แล้วว่าทุกนี่นะเป็นของที่ควรกําหนดรู้เท่าไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันห่านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกนั่นก็มีอยู่ตราบนั้นน่เป็นอย่างนั้นอ้าวคำพูดไทยคือตัณหาเป็นสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ละอย่างนี้เราก็เพียนละมันนะเอาความอยากอะไรมันยังมาบรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ ล้วก็ภาวนาเพ่งใจสงบแล้วก็สอนใจให้เบื่อให้หนายต่อความอยากความหิวต่างๆหมดนีมน่มันเมื่อบันเบื่อได้แล้วมันก็ละได้ถ้ามันยังไม่เบื่อได้มันยังชอบกับตัณหาความอยากความหิวอันนั้นอยู่มันก็ละไม่ได้ดังนั้นเราจึงตัวหาอุบายมาสอนจิตนี่หลายอย่างหลายประการให้เห็นโทษแห่งตัณหา เหมือนอย่างพระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธภาสิตไว้นัตติตันหาสมานณทิแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีอย่างนี้น ะ, ะเมื่อเรามาพิจารณาตามพุทธภาสิตนี่โอ้ไอความอยากในหัวใจของเราเนี่ถ้าหากว่าไม่ยับยั้งความอยากนี้ด้วยอํานาจแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆ มันจะเหมือนอย่างน้ำมหาสมุทรทะเลนั่นแหละ <c oughs> แม่มหาสมุทรทะเลนั้นมีมีขอบเขตมีฝั่งอยู่แต่มันก้วงใยไฟสาลตัณหาความอยากแห่งใจของมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาไม่รู้เท่ามันแล้วก็ยิ่งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลนั้นอีกพระองตัดไวนะ้นะนี่เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรา จำพุทธภาษิตนี่ได้เอาโน้มเข้าไปพิจารณาสอนใจของตนว่าตัณหาเนี่ยมันถ้ามีสะสมมันมากเท่าไรมันก็มีความทุกข์ในใจมากเท่านั้นแหละถ้าตนเบื่อทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็ต้องละความอยากตัดทอนความอยากให้น้อยลงให้บาวางลงอย่างนี้นะอืมสอนใจเข้าไปอย่างนี้เน่ใจมันเห็นชอบตามปัญญาแล้ว ความอยากมันก็ค่อยเบาลงเบาลงเลยวบบนี้นะเคยรับประทานอาหารหลายครั้งหลายหนก็รับประทานครั้งเดียวก็อยู่ได้ออสําหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์น่ะอย่างนี้แหละแต่เพราะว่าตัณหาความอยากภายในใจเนี่ยมันลดลงนี่ถ้าตัณหานั้นมันไม่ลดลงอ่ะมันยังวิตกอยู่สองมือสามมืออยู่งี้นะมันก็มันก็รับประทานมื้อเดียวไม่ได้หรอก ออไม่ได้นี่มันอยู่ที่ใจเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าใจลดความอยากลงไปได้หลือมันก็ได้อไม่มีปัญหาอะไรอ่ะถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างมาในพุทธศาสนานี่เลยนี่พระองค์เจ้าทําให้เป็นตัวอย่างพระองค์ก็มีพระชนมายุอยู่ได้ถึงแปดสิบพรรษาก็จึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพาน <c oughs> อันนี้แหละให้ให้พึ่งพากันสนใจธรรมะของจริงเนี่ยให้มากๆผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าโอ้ยบุญวาสนาเรามันน้อยเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงเหล่านี้ได้หรือเราไม่สามารถจะบรรลุได้หรอกคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจซะเลยอย่างนี้นับว่าไม่ถูกต้องเลยคููนั้น เป็นผู้ที่ไม่หวังความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองยินดีติดอยู่แต่ในสมมติบรญญัติเนี่ยสมมติว่าเขาสมมติว่าเราสมมติว่ายิง้งว่าชายสมมติว่าสวยว่างามสมมติว่าขี่ร้ายหน้าเกลียดหน้าชั่งสมมติว่าสวยงามน่ารักหน้าใยจิตใจก็ติดอยู่แต่สมมติอย่างนี้เนี่ยมันก็ ทกุก็ติดตามไปอยู่นั่นตลอดไปในเมื่อความรักความไข้ความเกลียดชังยังมีอยู่ตามใดแล้วทุกมันก็มีอยู่ตามนั่นเนี่ยอ่ามันก็ติดสายห้อยตามความรักความชังเป็นเหตุความทุกข์ใจเป็นผลอย่างนี้ใครจะไปขัดข้านได้ล่ะลองดูสิเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็แสวงหาความรักนั่น การแสวงหาไม่ใช่เป็นของง่ายมาเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากดีไม่ดีก็ไปเกิดขัดจังหวะ ก, กันเข้าหน่อยหนึ่งคนคนนี้ก็รักของสิ่งนั้นคนนั้นก็รักของสิ่งนั้นอันเดียวกันอย่างนี้นะก็แย่งกันนะใครดีก็่าใครอยู่นั่นแหละมันแสดงถึงความทุกข์แล้วนั่นนะมูนี้นะมันควรพิจารณาี่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะ ควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้อนี่แหละคําว่าเมื่อเรารู้ทำเรารู้ทำของจริงเหล่านี้แล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัณหาที่พระเจ้าสอนให้ละเว้นเราก็เพียนละเข้าไปละเข้าไปเมื่อละตัณหาได้หมดสิ้นทั้งหลายทุกทางใจมันก็ดับไปอจิตใจก็ได้บรรลุอริยเสัจธรรมโดย โดยตรงเลยวันนี้นะเข้าถึงอริยสัจธรรมได้เลยเรียอว่าใจนั้นรู้เท่าทุกในขันหานี้ตามเป็นจริงไม่หวั่นไหวแล้วในดวงจิตนั้นไม่มีความอยากแม้แต่น้อยหนึ่งอยู่เลย อ, อย่างนี้แล้วก็ความดับทุกข์ทางจิตจิตไม่เป็นทุกข์ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนก็เป็นปกติอยู่อย่างนั้นนี่ จิตใจท่านที่เข้าบรรลุถึงอริยสัจธรรมนะแล้วข้อปฏิบัติอันใดท่านปฏิบัติมาอย่างไรแล้วทําให้ท่านเข้าถึงอริ ย, ส, รรรยสัจธรรมได้บรรลุอริยสัจธรรมได้ท่านกบ็บาเพ็ญข้อปฏิบัติอ น, นั้นอยู่นั่นไม่ท้อไม่ถอยนี่ไม่ใช่ว่าเมื่อท่านผูใ้ใดบรรลุถึงอริยมรรคอริยผลอย่างที่ว่านั้นแล้ว ท่านจะทอดทุระเลยไม่ทำบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติเหมือนจะเก่ามางี้ไม่ใช่นะผิดหลักธรรมดาแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผู้บรรลุทำของจริงแล้วนี่ผู้บรรลุทำของจริงมันต้องเห็นคุณแห่งทำเหล่านั้นในเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่ตราบใดแล้วก็ต้องปฏิบัติไปตามแถวตามแนวนั้นแหละต้องทาไปนั่งภาวนากนนั่งไป แต่ท่านผู้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วนั่นเมื่อนั่นท่านนั่งภาวนาท่านพิจารณาธรรมของจริงเข้าไปถึงที่สุดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ไม่มีทางจะพิจารณาอื่นต่อไปอีกเพราะมันถึงที่สุดแล้วนี่นั่นแหละไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่บรรลุถึงอริยสัจจะทำเช่นนี้นี่ พิจารณาไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วว่ลาละมาแล้วตัณหาเนี่ยนอนหนึ่งเผอๆมากลับคืนมาอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันพิจารณาลงมือประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้รู้แจ้งในอริยสัจธรทมทั้งสี่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้